50 languages. 88 g h t y e i g h t Eighty. Adiṭakaṇ of kriya chui two. p ū t k a l v ā c h a k sahaya kriyāma do. Lūkchai of di h n mei yak l e n t u k a เม र ाรे ट บ ग ตากูดีน่าลไม่เล่นนาโข่งด้าลูกสาวของดีฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล मेरी รีบีตีฟุตบอลไม่เล่นนาโข่งดีซสามีของดีฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดีฉันเेียรีภรรยามेเรน่าล์ชัดรันจ์ไม่เล่นนาโข่งลูกๆของดีฉันไม่อยากไปเดินเล่น मेरे बच्चे ทฮ ह เดพวกเขาไม่อยากจัดห้องโอ้หร้านนาจวเดพวกเขาไม่อยากไปนอนโอจเดเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศกรีม u s น u ไอศกรีมข้านด เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลตุ s n u ขานดีอยเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน usnu มิไธ า, าข้านดีอัจยะไม่ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพรเุจมังกรดีอย ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุดเมนูอพเนลเลย์กับเปรย์ขายดินดีอัจฉยะีดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลตเมนูช็อกโกแลตแลนด์อยี ค, คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือเขตห คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือคุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา คีชุดีย์แอนเวชีบัจाีแอนู้จ้าด้าเดย์บ่าห์รันดีิจ๊าดัตสีพวกเขาเล่นที่สนามได้นานโอหน้านู้เวเดย์เวชีบ๊วยฮอดเสม่ตักคลีลันดีิจ๊าดัตสีพวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้โอหน้านู้บ๊วยฮอ